จะว่าไม่ยากก็ถูกถ้าคนทำได้ก็ไม่ยากถ้าคนคเห็นม่ายากก็ทำไม่ได้ก็มาเรื่องโบราไปนะก็ลงความว่านุสสติแปลว่าตามนึกถึงแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงนุสติก็ขอพูดถึงวิธีการปฏิบัติในขับกฎเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติกฎเบื้องต้นจริงๆอันดับแรกเอาแรกจริงๆ ขอมรนดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามแบบที่พระโบราณอาจารย์ท่าสอนมาเพราะว่าพระโบราณอาจารย์สอนแล้ท่านสอนถูกเขาบอกว่าก่อที่จะภาวนาหรืออารมณ์ลมหายใจเข้าออกเราใช้ก่อนอันดับแรกรู้สึกลมหายใจเข้าออกเพราะการรู้ลมเข้ารู้ลมออกทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ากรรมฐานเราทิ้งลมหายใจเข้าจะออกแล้วจากจิตจะเป็นสมาธิยากกรรมฐานหลักใหญ่จริงๆมีสี่สกองแต่กรรมฐานอีกสามสิบเกกองนี้ขึ้นกับอนาปานุสติเป็นลมหายใจเข้าออกเพราะทุกกรรมฐานทุกกองก่อนจะจับเข้ากองนั้นต้องใช้อนาปานุสตินําหน้าก่อนเพราะว่าอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเนี่ระงรับจิตฟุ้งซ่าน อาการฟุ้งซ่านของจิตระงับด้านาปานสติพระเจ้าพุทธเจะว่ากับโจริตก็ไม่ตกจริตก็ไม่ตกจริตก็ไม่ตกจริตก็มโหหจริตสองอย่างระลับด้านาปานสติไม่ตกจริตก็มโหหจริตก็เป็นระดจิตฟุ้อารมณ์ฟุ้งซ่านนั่นเองดังก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดข้ารัดาญาโยงพระธรริสัจกำหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกตู้อยู่หายใจออกถ้าจิตละเอียดลงไปก็สังเกตว่าเวลาเราหายใจเข้ายาวหรือสัน้นหายใจออกยาวหรือสัน้นยังิ่งก็ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเมื่อจิตสบายเริ่มสบายแล้วก็เกณฑ์นาวิปัสสนาญาณถา้าบรรดาญาโยมพ บ, บริษัทปฏิบัติเริ่มปฏิบัติใหม่ๆให้ใช้ไตรลักษณญาณง่ายดีพ่าเป็นวิปัสสนาญาณยังอ่อน อะไรแล้ว ก, ก็คือหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงสองทุกขังความทุกข์สามารถตาการสลายตนคือพังไปอนิจจังไม่เที่ยงหมายถึงว่าคนเราเกิดมามีสภาพไม่เที่ยงคนก็ดีใส่ก็ดีวัตถุต่างๆในโลกก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงทั้งหมดคนเราใส่เกิดขึ้นเป็นเด็กเป็นเ้็กตน การค่อยๆโตขึ้นการค่อยๆโตขึ้นแสดงว่าความใบเที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงมันก็ต้องเป็นเป็นเด็กขนาดนั้นอยู่ไม่ขึ้นไหวไปไหนไอ้เมื่โตขึ้นเราเรียกว่าเจริญขึ้นแต่ความจริงมันเดก็ไปหาความแก่มันไม่เที่ยงต่อมาจากความเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวท่นก็ไม่เที่ยงจากความเป็นเด็กอีกด้วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่เที่ยงไม่ทรงตัว มั น, นนายเข้าก็กลายเป็นวัยกลางคนค่อนข้างแก่ในที่สุดวัยกลางคนก็สลายตัวไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ทงอยู่ตามนั้นมันก็เป็นคนแก่อยากคนแก่ก็เป็นคนตายคนรุ่นใส่ก็มีสภาพเช่นเดียวกันในเมื่อสภาพคนั้ของสมบัติของโลกมันไม่เที่ยงอย่างนี้แต่เราต้องการความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีที่มันแล้วเราไม่อยากมันสลายตัวไป เพราความไม่เข้าใจของเราต้องการให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงตัวตามใจเรานี่เราก็มีทุกข์จิตใจก็ไปทุกข์มีความหวั่นไหวแต่ในสุดในที่สุดของที่มนเที่ยงที่ทาให้เราเป็นทุกข์มันก็สลายตัวคือพังไปคืองคความว่าการเกิดเป็นโลกเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกมันเป็นทุกข์ก็ไม่พอพทธศตมันก็พังร่างกายนี้มัชามก็เป็นผี เรการเจริญกรรมฐ า, านควรใช้มรณานุติกรรมฐ า, านเป็นพื้นฐานคําว่ามรณานุติก็นึก ถ, ถึงความตายเป็นอารมณ์เพราะวาา่าการนึกถึงความตายนี่ไมื่อเย็นนึกถึงความนึกงความตายแล้วก็อรอรมือรอเท้าไม่เที่ยงนะั่นนะให้นึกว่าชีวิตของคนเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องตายกันแน่ ก็จงอย่าคิดว <ăn to S 2> ่าคนทุกคนที่เกิดมาต้องแก่แล้วยิงตายเราก็ดูตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดพร้อมเราตายไปแล้วกี่คนก็มีตายไปแล้วกวหลายคนคนที่เกิดที่หลังเราตายไปแล้วกี่คนตายไปมากบางทีเด็กตัวเล็กๆเกิดตัวในถึงเดือนบางถึงเดือนกว่าสองเดือนสมเดือนตายไปแล้วกี่คนก็ตายกันมากคนที่แก่กว่าเราเขาว่าตาย จะลงความว่าคนทุกระดับชั้นทุกระดับของอายุต่างคนต่างตายแล้วก็เราจะไม่ตายดีไงในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันตอนนี้มาคิดถึงความตายแล้วก็ต้องคิดต่อไปว่าตายแล้วมีสภาพสูญหรือไม่สูญในเมื่อเราเป็นสาวกโคง้งสมเด็จพระสัมมาทัมมิตรเจ้าก็ต้องยอมรับต่อถึองคำสอ่งของท่านว่าพระุทธเจ้าสรงสอนว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญ ถ้าจิตก่อนจะตายจิตครบกับความดีคือบุญคำว่าบุญการทานนามัยบุญพุทธปิการบริจากทานศีลนามัยบุญพุทธปิการรักษาศีลภาวนาไมายบุญพุทธปิการเจริญภาวนาอันนี้เป็นความดีเป็นบุญพการมีความกระตันยูรู้คุณบิดามันดาตท่านที่มีคุณก็เป็นบุญเป็นความดีไม่กัน ได้จิตคลองอยู่ในลมที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายเวลานั้นอย่างต่ําแล้วก็เป็นเทวดาด้านนางฟ้าหรือกษสวรรค์ที่กามาบจรสวรรค์ถ้ามีอารมณ์มีอารมณ์เด็ดเดียวก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตบริสุทธิ์ก่อนจะตายเกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเราก็ไปนิพพานตอนนี้จะหานว่าเออก่อนจะตายถ้าจิตไปคล่องกับอารมณ์ที่เป็นบาปเพียงแค่นิดหน่อย มีจิตเศร้าหมองก็สามารถไปเกิดในบาญภูมิมีนรกเ ป, ป็ตนต้นจะยกตัวอย่างพระสังค์นึง่งคือพระในสมัยพระเจ้าพระติสสะติสสะว่าสองท่้งเที่ยวเลติสาะเอบางเอิญท่านไปชื่อเหมือนกันในนีนะขายติสสะเดี๋ยวท่านมาทวงันแย่วัคือท่านติสสะอง์นี้ขณะที่มีชีวิตทรงตัวอยู่ ก็อยากจะได้ห่มจีวรผ้าดีๆสักผืนหนึ่งแต่ก็บางเอิญมีญาติโยงเขานำมาถวายเป็นผ้าจีวรเนื้อไม่เคยดีนักพี่สาวก็นํามาไปสะสมเอารวมกันชักได้ไปรวมกันทําให้เป็นจีวรเนื้อดีเมื่อพี่สาวทําเสร็จยอมเสร็จก็มาถวายท่านบางเอิญเวลานั้นท่านป่วย ท่านป่วยจิตเท่คิดว่าจีวรเนื้อดีๆอย่างนี้น่ะก็อยากจะห่มจิตใจอยากห่มถ้าป่วยลุกไม่ขึ้นก็ห่มไม่ไว้แต่ว่าในวาระสุดท้ายไม่ท่านจะห่มผ้าท่านก็ตายจากความบุญพระแต่พระองค์นี้อาจมาสงสัยเอาแค่สงสัยนะบาลีท่าไม่ได้บอกสงสัยว่าจะเป็นบระโสดาบัน เพราะว่ามันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าในเมื่อท่านตายจากความเป็นพระจากความเป็นคนเอาใส่ที่จิตเท็จข้องในจีวรรักในจีวรก็ไปเกิดเป็นเลนในมนตะเข็บจีวรแต่เลน น, นี่มีอายุเพีงแค่เจ็ดวันต่อมาธรรมดาเมื่อพระตายทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์พระก็มาจัดการดูทรัพย์สินต่างๆสมบัติของพระก็ากการรปกติาาก็ไม่เามาี อ, เอะไรอยู่แล้ว จะมีอะไรบ้างต่อตามตาวินัยถือว่าเป็นของสงฆ์พระก็หยิบน้องหยิบนี้ก็ไม่เป็นไรพอหยิบจีวอนเขานั้นแ่ะเจ้าเลนก็ร้องตะโกนว่าไอ้ขโมยไอ้ขโมยพ้นจีวอนขโมยพ้นจีวอบางเอื่นพระที่ไปที่นั่นทั้งหมดไม่มีใครได้ที่ประสงค์ยานก็ไม่ได้ยินเสียงเลนแต่เพราพระเจ้าที่อยู่ในมหาวิหารก็บอกพระนล ก็นอนรีดไปเดี๋ยวนี้ไปที่กุฏิพระติสระว่าจีวรคือนั้นจงวางไว้อย่าพึ่งหยิบจากวันนี้ไปถึงวันที่แจึงหยิบได้ก็เป็นว่ามันครบเจ็วันปรากฏว่าท่านติสระที่บิ็นเลนตายจากความเป็นเลนไปเกิดที่มาเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันดูสิเมื่อเจ้ที่อาจะมาสงสัยว่าถ้าอาจจะเป็นเทวดาบันเราแค่สงสัยเนี่ยเพราะว่าชั้นดูสิมีข้อจำกัด จำกัดผู้ที่จะไปอยู่ต้องเป็นพุทธิดาพุทธมารดาหรือว่าพระบริสัทธ์ที่มีบารมีตั้งแต่ป่าปรมีขึ้นไปเพื่อขอบเขตจำกัดหรือมิฉะนั้นท่านคนอื่นต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงเข้าอยู่ที่นันไดวันนีม้มาเล่นพระติศสท่านไปเกิดในชั้นรุศิกษะเสงสัยว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้ากระที่นำมาเล่าเลยฟังพระว่า เ ร, ราเรจริ่มกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้ทําจิตให้ชินคำํำว่าฌาในคืออารมณ์ชินสมาธิคืออารมณ์ตั้งมัน่นให้เรามีอารมณ์ตั้งมัน่นไว้ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการให้จิตมันชินแล้วเกากําลังที่เป็นบุญอย่างใดอย่างลยึ่ง้เป็นอารมณ์บุญทุกอย่างใช้ได้หมดอะไรก็ได้อย่างวันนี้ให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ต่ความจริงการนึกถึงความตายและไม่ควรจะคิดเฉพาะวันนี้ให้คิดทุกวันจะดีที่สุดให้มีความรู้สึกหรือว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นี่ก็คิดว่าถ้าบังเอิญเราตายวันนี้เราจะไปไหนถ้าเราอยากไปนรกไปในขอไม่ยากถ้าบังเอิญเราอยากไปสวรรค์ตามบุรุคนที่เกิดเป็นเทวดาเรื่องนางฟ้าได้จะต้องมีหินเลอตัปปะ ที่นี้ความอายต่อความชั่วต่อปะเกรงกลัวผลของความชั่วอย่างนี้เป็นหลักของธรรมะแต่วิธีที่ปฏิบัติที่เขาได้กับจริงเพียงแค่ยึดอารมณ์ความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นนางฟ้าได้อย่างคนที่ไม่เคยทําบุญเลยที่เล่ามาแล้วหลายเที่ยวก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างท่านมัตรากุนดลีเทพบุตร แต่กูล น, นี้ไม่เคยเคารพพระพุทธศาสนาแม้แต่มือไหวเขาก็ไม่เคยยกมือไหวไม่ต้องพูดต้งใส่บาตไม่ต้องพูดต้องฟังเทศเพราะเขาเป็นตระกูลพราหมณ์แล้วพราหมณ์ตระกูล น, นี้ก็เป็นครูสอนคนอื่นเรื่องใดที่จะเขามาพระพุทธเจ้าแต่ว่าวัตกุลีระด้านั้นจะเป็นลูกของพราหมณ์รวยดนะังและการที่จะฟื้นคืนตัวไม่มีขขาเล่ารันลัด ก็คิดว่าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นมหาเศรษฐีไม่สามารถจะช่วยเราได้นคนทุกบิดามารดาที่เมืพ่พ่อกับแม่เรตายมัก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้เวลานี้เราเห็นบุคคลคนเดียวที่พอจะช่วยเราได้คือขงลื อ, อกันว่าพระสมณโคดมมีเมตตาจิตสงเคราะห์ไม่ว่าใครเธอก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึก การนึกถึงของเขาก็ไมช่ช่มีความเคารพนึกถึงได้ไหมว่าขอให้มาช่วยให้พ้นจากความป่วยให้หายจากการป่วยในเมื่อกําลังนึกอยู่แบบนั้นในช่วงนั้นก็ดีเธอก็ตายจากความเป็นคนอาใัยที่นึกถึงชื่อตพระเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้อย่างนี้ไม่ต้องพูดกันก็ไม่เกิดบนทือเป็นเทวดาบนสวบัค์ชันดาวดิงสถิติบนโลก มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีแนาฟ้าเป็นองค์พันเป็นบริวารภายหลังต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเรียกให้มาพบเขาก็มาพบพร้อมทั้งวิมานแล่าวิมานแล้ฟังเทศจะพระเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันตัวความมาธรรมดาย่าโยามพุทธบริษัททุกคนนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะเกาะความดีอย่างใดอย่างเลย จะเป็นพุทธานุปปันึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ทำานุปตินึกถึงพระธรรมคำส่งสอนข้อใดข้อหนึ่งคําใดคำหนึ่งก็ได้คือสายคาณุปปันนึกถึงพระสง์ก็ได้ศีลานุปตินจะนึกถึงศีลที่เราเคยประพติปฏิบัติก็ได้จาคาณุปปันึกถึงการให้ทานก็ได้เทวตานุปปันนึกถึงเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ อุะสมมานุติจะนึกถือผริพานเป็นอารมณ์ก็ได้พระมรณากายรตาทุตินึกเท่าร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ตามใจชอบเราพาไว้นึกถึงได้ข้ความดีได้ข้ไทยก็ได้ได้ข้อเสงขาสิ่งก็ได้ได้ข้อภาวนาก็ได้ไม่ว่าในขณะนั้นจิตใจของเรามีความครบปฏิดามารดาพู้มีคุณ หรืบอกคนใดแด่เขามีคนละจิตใจน้องเคารพในเขาอยู่ก็ที่ว่าเป็นความดีที่พาไปสวรรค์ได้ถ้าจิตใจพมดาญายโยมพุทธบริ ษ, ษัทยึดอย่างใดยอย่างหนึ่งไม่เป็นอารมณ์เอาที่มันง่ายที่สุดคำว่านุสติกรรมฐานแต่าตามนึกถึงถ้าจะถามว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิไหมยอย่างนี้แต่มาของข อ, งขอตอบว่าตามใจโย อยนั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่ขัดสมาธิก็ได้แต่ถ้านั่งขัดสมาธิดีเฉพาะเวลาที่นั่งขัดสมาธิพอเลิกแล้วเลิกดีอันนี้ใช่ไม่ได้ถ้าไม่นั่งขัดสมาธิจิตก็นึกถึงบ้างแะ่คิดอย่างอื่นไปบ้างนึกถึงความดีบ้างอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างนี้ดีกว่ากลัวความว่าทมทั้งสองอย่างคําว่าตั้งนั่งสมาธิก็ยังอยากจะถือเกินนั่งเกินไป นั่งนอนยืนเดิน4ีอย่างนี้มีผลเสมอกันถ้ามันหน่วยมามากๆกับวันเพียมากนั่งไม่ไหวก็นอนเวลานอนซีสะถึงนอนปับ๊บจับอนาปานุสตินึกถึงลมหายใจเขาออกนึกถึงความดีที่เราเคยทำนึกถึงทานการบริจาคที่เคยให้ทานแก่คนให้ทานแก่สัตว์ถวายทานแก่พระแม้แต่อย่างเดียวก็ดีเลิศ ให้จิตให้ทรงเป็นอารมณ์หรือว่านึกถึงศีลที่เราเคยรักษานึกถึงภาวานาที่เราเคยปฏิบัติเอาอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าไม่นึกถึงอะไรละฉันเอาแบบนี้ดีกว่าคิดเอาในใจว่าถ้านึกมันวุ่นวายภาวานาวพุทโธดีกว่าให้ใจเข้านึกบนพุทธใจออกนับพุนนโทโธอย่างนี้เพียงแค่สองสามขั้นก็หลับก็ดีทงไปถ้าบังเอิญภาวานาจนหลับ เย่าลว่าถ้าจิตยังไม่ถึงฌานเพียงใดกําลังใจของบุคคนที่ภาวนาจะหลับไม่ได้คนเราถ้าจะหลับจิตต้องสงบถึงฌานถ้าบังเอิญท่านภาวนาว่ายังไงก็ตามเถือภาวนาไปแค่นิดหน่อยสองสามครั้งจิตตัดหลับทันทีอย่างนี้ควรจะดีใจพ่าเวลานั้นจิตเราถึงฌาขนขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่จนกว่าจะตื่น อย่างนี้เป็นกําไรมากทำํำง่ายๆในญาติโยมนะแต่ผลใหญ่วันนี้ก็กวิวลาอีสิบสองนาทีไม่ได้ให้หวยนะวันนี้จะเป็นกรรมฐานไม่ใช่ใบหวยกันนะก็จะเล่าที่ล่าสูตรเล็กๆสั้นๆแต่อาแต่คุณอาจจะไม่สั้นก็ได้เป็นเรื่องเก่าๆที่คนเก่าๆฟังมาเป็นปกติแต่คนใหม่ท่ายังไม่ได้ฟังว่าเปร ก, การีธิดา เปษการีประนายช่างหูที่ดาแปลลูกสาวลูกสาวนายช่างหูคนนี้เวลานั้นอายุ16ปีพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นเพิมเนื้อก า, ายก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สงเทศแต่ความจริงพระพุทธเจ้าเทศคราวนั้นก็มุ่งเฉพาะจุดสำคัญคือม ร, รณานุษีกรรมฐาน ท่านกล่าวทั้งกล่าวว่าโพเบริสะดูก่อนท่านผู้เจริญชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอให้ทุกคนยิงคิดว่าชีวิตนี้อยากจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งใจทรงความดีเข้าไว้ความดีมีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีภาวนาขอตัดจยาะยาพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงกลับ เรื่พระพุทธเจ้ากับการที่พระเจ้าเสด็จไปจะไม่จะมีแต่เธอผู้นี้แต่ผู้เดียวคนมามากผู้ใหญ่เยอะแต่วรนดาท่านผู้ใหญ่เราแน่ก็ศักดิ์สิทธิ์ได้เกินไม่ไมั่นคงมากพอพระพระทุทธเจ้าไปท่านลุกขึ้นต่างคนต่างลืมเทศหมดไม่มีใครนึกถึงถ้อยคํานี้ก็มีเปรศการีอายุสิปีคนเดียวมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปสวยผิวพรรณย่างกับทองคํา หน้าเหมือนพระจันทร์ทรงตัดว่าชีวิตเของไม่เที่ยงเด็ดความตายเป็นของเที่ยงขอเธอตั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดทรงความดีไว้เธอก็ตั้งใจทรงศีลในความกตัญญูคุณตอ่อญบิดามดาตายแล้วต่อมาเวลาผ่านมาอีกสมปีเธอพ้นในอายุสิเกาปีวันนั้นพระพุเทเจท้าทรงตรวจภาในสายของสัตว์เวลาชมึก รูปร่างของเธอก็ตกอยู่ในไ ข, ยพยยข่พยานเของพระองค์เขาก็จะเจ้าก็สงสัยว่าเด็กหญิงคนนี้มาสามปีพบแล้วครั้งหนึ่งนี่มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ใครคนต่อไปทุงทราบว่าวันนี้เวลาตอนสายเธอจะต้องตายก็จงพิจารณาต่อไปว่าเราเทศสอนไว้แล้วแต่ว่าถ้าการตายของเธอคราวนี้ถ้าตถาคตไม่ช่วย เธอยังมีคติแน่นอนและมีคติไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนหมายความว่าต้องไม่ลงระบายภูมิไปตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปนี่แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอจะมีคติไม่แน่นอนนั่นก็หมายความว่าเธอจะไปสวรรค์ก็ได้เธอจะไปนรกก็ได้ก็ทรงคิดต่อไปว่าถ้าตถาคตจะช่วยจะช่วยแบบไหน ก็ทรงท ร, ราบด้วยกำลังพุทธายนว่าถ้าจะช่วยต้องบัญถาไปถามปัญหาสี่ข้อถ้าเธอตอบถูกให้สาธุการต่อวดีแล้วถูกแล้วถูกแล้วน่าสี่ครั้งพอจบครั้งที่สเธอจะเป็นมาโสดาบันตอนสายวันนี้เธอตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรชั้นดสิตเมื่อทรงท ร, ราบอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบพิตแก้วก็เสด็จไปไปองเดียวเหาะไปเลย ไปถึงก็ไปอยู่ระหว่างทางคือว่าเมื่อวันสมม่าต้องว่าวันวานวันก่อนนั้นวันหนึ่งวันที่พระเจ้าจะไปพ่อทอหูกอยู่ไกลาจากบ้านลงทอหูกอยู่ที่หนึ่งบ้านอยู่ที่หนึ่งพ่อสั่งกสาวบอกว่าได้ที่ทอหูกพนนี้จะหมดถ้าลูกจะมาตอนเช้าเอาข้าวมาให้พ่อแล้วก็เอากรอได้มาให้ด้วยพระพุทธเจ้กจา ก, ก็ทรงไปนั่งประทับระหว่างกลาง ว่าถ้าเธอจะไปหาพ่อต้องผ่านพระองค์กรอนเพราะพระพุทธเจ้าไปแล้วคนอื่นไปหาท่านต่างคนตางถวายพระตาหารเธอก็ทราบเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ก็ติดเวลาช้าไปเพราะต้องก่อดได้ระหว่างที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จตามธนดาท่านฉันเสร็จมีคนรับบาตรท่านส่งบาตรให้ใครคนใดคนหนึ่งท่านยิงเทศ วันนั้นพุทธเจ้าฉันเสร็จมีคนไปรับบารถ้าไม่ส่งให้ท่านมองไปไปเห็นเบสการีท่านคิดในใจว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าบุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศท่านก็นั่งเฉยคนอื่นก็ไม่กลา้าเบสการีเธอ่อยรักรอได้เสร็จก็สายไป ยินตัดสินใจคิดว่าเราจะไปเฝ้าพุทธเจ้าก่อนหรือไปหาพ่อก่อนถ้าไปเฝ้าพทธเจ้าก่อนไปหาพ่อก็อจะสายเกินไปพ่ออาจจะด่าจะตีถ้าไปหาพ่อก่อนพระพุทธเจ้าอาจจะกลับก็ได้ยินตัดสินใจว่าการพบพระพุทธเจ้าเป็นของยากตัดสินใจไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพอเข้าไปถึงแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังเขาเพื่อทายบริษัทก็ห่างเกินไป พระเจ้าก็มองดูหน้าเธอเธอก็มองดูหน้าพระพุทธเจ้าก็ส่งสก็ทราบว่าเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เธอก็ไปนั่งไกลเธอเข้าไปนั่งใกล้ๆพระบาทของเธอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าพระกิณิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอตอบไม่ทราบพระเจ้าค่ะ ท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอต่อบวทราบพะเยาค่าท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็าตอบว่าไว้ทราบพะเยาข่าที่ชาวบ้านเอะวายวายด่าเธอหาว่าล่อลินมันก็จะเจ้าพระเจ้าต้องโบกมือห้ามพอช้าก่อนต้องถามกันก่อนอย่าเพิ่งด่ากันหลังจากนั้นองค์ส้นเด็ดต้องวัยก็ตัดถามใหม่ว่าพระกินิดูก่อนนอนหญิที่แต่ทาคตถามข้อแรกเธอถามว่าถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไว้ทราบมีหมายความยังไง เธอก็กราบทูลว่ า, าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านพระองทราบเบอรหน้าพุทธญาณแล้วจะคําถามไม่ได้มาที่อย่างนั้นคําถามหมายถึงว่าก่อนจะเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบเหตุการณ์พระพุทธเจ้าให้สาทุกว์ตอบถูกแล้วและ้ะคำถามต่อไปว่าข้อที่สองที่ถาโคตร ถ, ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความยังไรเธอก็บอกว่ า, าการที่หม่อมฉันจะไปโรงทอหู ข, ของพ่อพระองค์ทราบแล้วเบอหน้าพุทธญาณ ในคําถามไม่ได้หมายที่อย่างนั้นหมายว่าถ้าตายจ่ายชาตินี้ไปไหนมรรษา น, นไม่มรรษานไม่ทราบพระเจ้ค่ะพุทธเจ้าให้สาธุการอีกครั้งหนึ่งว่าถูกแล้วดีแล้วแล้วต่อไปพรุทธเจ้าถามว่าข้อที่สามที่ฐาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบจะหมายความอย่างไงเธอตอบว่าการกคําว่าทราบหมายความว่าทราบประชาตินี้ต้องตายแน่ยังไงไงก็ต้องตายจะตายมาเด็กตายมาแก่ตดยเมื่อ ดิฉันเป็นสาวก็เธอต้องตายกันแน่เขาว่าตายพระเจ้าถามว่าก้อนที่สต่สถาคถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบไม่ทราบเพราะยังไงเธอก็ตอบว่าการที่ตอบไม่ทราบเพราะว่าไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายมรืนีตายเมื่อวมตายมาสาวตายมาแก่เจ็บตายถูนม้กัตายม้าเห่าตายมมีหรือไงจะตายแบบไหนไม่ทราบพระพุทธเจ้าทรงรับให้สาธุการสี่ครั้ง เมื่อพระเจ้ายอมรับสีวาระเวลานั้นเธอมาลุเป็นมสดาวันทันทีหลังจากนั้นองค์งเด็จพิจินณสีก็เสด็จ ก, กลับเธอก็ไปโรงโทอหูกไอวาระงคงนตายับยาญาติโยมฟังลองคิดดีนะเมื่อวาระควายจะตายเข้ามาถึงมันก็เป็นการมาเอินท่านพ่อคอยลูกสาวตอนในเช้าทอหูกคอย ตานสายลูกสาวก็ยังไปไม่ถึงหิวข้าวคอยหิวหิวท้อหูกไปหิวไปในสึดก็เพลียนหลับอีือหนึ่งจับฟืนหนึ่งในฟืนหนึงจากกระสวยผู้อย่าพุ่งก็มาได้พุ่งฟืนลงไปกระทบก็มาได้กระทบลูกสาวเข้าไปไม่ทันสังเกตเดินไปร่างกายไปกระทบภูมเพราะฟืนไหวขึ้นนี่กำลังใจก็พ่อคิดว่าจะพุ่งมาสวยแล้วก็จะพุ่งกระสวยที่ความแรงไม่ทันเห็นลูกสาว แล้ก็ทบอฟื้นในความแดงก็สวยพุ่งไปถูรูออกุกสาวแล้ลายฝืนก็ท้อตัวลูกสาวล้มลงถึงขาดใจตายเป็นเว่าท่านพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็เลยไม่หิวข้าวเสยียใจทาชาเวลาเกียดเสร็จก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าพทธเจ้าบุงครามน้ำตาของเธอที่หลังไหลแบบนี้พรลูกตายเมียตาย หลายชาติเวแลาวที่รวบรวมไว้น้ําตาของเธออาจจะมากกว่าน้าไ ป, ปวันไหนระหาสมุทศรีเพื่อ ค, คลายความโศกเสียถิ่เรื่องธรรมาดาในทีสุดท่านพ่อก็บวชแต่พระสัทธรรมไม่ช้าก็เป็นกระหันที่นําเรื่องนี้มาพูดกัหมายความว่าท่านนึกถึงความตายอยู่เป็นบรรณานุสติกมีประโยชน์หลายอย่างเมื่อนึกถึงความตายอยู่ต่อไปก็จิตใจก็เกิดความเบื่อหน่อยในร่างกายเพราะมันเกิดในแดนทุความทุกเมมีความตาย ต่อไปข้างหน้าถ้านทุกถึงความตายเป็นสมถะภาวนาต่อไปไปคิดไปคิดไปไม่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนักตาแบบนี้ร่างกายที่มันต้องตายได้พระร่างกายไม่ใช่เราเปนของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราในสุดตัดเชิงย่อยข้อต้นได้อย่างอ่อนก็เป็นปสดาบันถ้าตัดได้ถึงนี่สุดก็เป็นพระอรหันต์อรันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้หมดเวลาแล้ว ขอทุกท่านหันหน้าไปตามพระทูตตั้งใจตั้งใจสมาทานสิ่งสมาตานเป็นกรรมฐาน